ข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัญ น, นาตอละคัตถูปมาสูตรกลมนี้มีอุปมาสะส่วนใหญ่เยนะเป็นพระสูตรที่ยกอุปมาอุปไมยโ mm hmm. อปัมมวัต ก, ก็คือวัคที่ส่วนใหญ่เนื้อหาเกี่ยวกับอุปมาอุปไมในข้อ274เจ็บสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตะวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลทิฏฐิทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิอันเป็นบาปชั่วคือบาปเนี่ยนะมิจฉาทิฏฐิอันเป็นบาปเห็นป่านนี้บังเกิดขึ้นแก่อริฏฐภิกษุผู้เป็นเหล่ากอของคนค่าแร้งว่าเหล่ากอของคนค่าแรงใครว่าบรรตระกูลเนี่ยอาชีพค่าแรง้ง นะก็เป็นการว่าตระกูลของเขาเนี่ยนกฆ่าแรงมาก่อนเ็าเรียกตามตระกูลเนี่ยนะเขามีมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาอย่างนี้ว่าข้าพเจ้านี่รู้ทั่วถึงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วโดยประการที่ทมทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่าเป็นธรรมกระทรรมซึ่งอันตราย ทำเหล่านั้นไม่สามารถทําอันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริ ง, งนี่ไงปฏิเสธพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งใดมีอันตรายสิ่งนั้นไม่มีอันตรายอย่างที่พระพุทธเจ้าผู้หรอกเราเนี่ยเข้าใจหมดแล้วเข้าใจอย่างทะลุปรุโปรงว่าไม่มีอันตรายจริงตามอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนอันนี้ออกมาคัดค้านเต็มตัวเลยนะออกพาคัดค้าเต็มตว่าประกาศศึกกับพระพุทธเจ้าตรงตรงเลยนะสมัยมีพระชนอยู่นะออกมาประกาศศึกเลยบอกไม่ใช่ พระพุทธเจ้าบอกว่ามีอันตรายบอกไม่ผมเนี่ยพิจารณารอบครอบเบ็ดเสร็จหมดแล้วว่ามันไม่มีอันตรายพันพระสูตรนี้เป็นสูตรที่เบื้องต้นนั้นแก้มิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐิตัวนี้ออกมาปฏิเสธเวสารชยานข้ออันตรายยุธรร ม, มเทศนาปฏิเสธเลยว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีอันตรายไม่มีอันตรายจริงคือ แต่ว่าสามข้อที่เหลือเขาก็ยอมรับนะว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญยูพระพุทธคำสอนของพระพุทธเจ้านําออกจากทุกแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าพระองค์เนี่ยเป็นขีนาศพสิ้นกิเลสแต่ข้อที่บอกที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่มีอันตรายเนี่ยพิจารณาละเอียดรอบคอบแล้วมันไม่มีอันตรายตามที่พระพุทธเจ้าตรัสอันนี้เรียกว่าออกมาประกาศศึกตรงๆเลยนะคือเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเท่ากับบอกว่า พระพุทธเจ้าบอกว่าการมัสุขาลิการุโยคเป็นมิชฌาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติผิดเขาบอกไม่การมสุขาลิการุโยคไม่ได้เสียหายอะไรไม่มีโทษอนะคละเคล้ากันไปได้ทั้งการมัสุขาลิการุโยคและมัชชิมาปฏิปทานะเนื้อหาการคัดค้านจะเป็นแบบนั้นนี้อัตคาถาอธิบายเป็นรายละเอียดคือสูตรนี้เป็นสูตรที่ชําระาศาสนาเนี่ยนะก็ถือว่านี้คือว่าเป็นหลักต่อของาศาสนาเสี้ยนน้ตรงไใน ศาสนาเขาเรียกว่าวรัาไก่เนี่ยระบาดในศาสนายุคนั้นเนี่ยนะวรัายนกเข้าไปเนี่ยยิ่งกับเชื้อเอชดอี ก, ก็เข้าไปพระองค์ก็เลยเป็นสูตรที่โหข่มแล้วข่มอีกชี้แจงแล้วชี้แจงอีกเนี่ยนะเพราะมันเป็นอันตรายมากเป็นคําสอนที่เรียกว่าล้มศาสนาเลยแหละคําที่ออกมาคาเนี่ยเท่ากับล้มพระพุทธศาสนาเลยเรื่องราวเป็นยังไงในอัตถกถาอลาคทูปะมะสูตรเนี่ยนะ คือเนื่องจากว่าพระอริธ h a จริงๆท่านก็เป็นคนที่แตกฉานเรียนธรรมะเยอะเนยเกือบจะทรงพระไตรปิฎกเลยแหละแกแตกฉานหลายเรื่องแต่ว่าไม่เข้าใจในพระวินัยแล้วก็ไม่เข้าใจธรรมะบางประการทำให้มีความเห็นที่หุนหันพลันเล่นออกมาคัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะซึ่งบุคคลเหล่าใดที่ศึกษาคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคนที่มีความตั้งอกตั้งใจคิดว่า จะเรียนพระไตรปิฎกอย่าลืมสูตรนี้นะนะเป็นสูตรที่เรียกว่าข้อพึงระวังนะนะข้อพึงระวังไม่งั้นเดี๋ยวเราศึกษาไปศึกษามาก็กลายเป็นคนออกมาล้มพระพุทธศาสนาเสียเองเนี่ยถามว่าดูจากอะไรดูจากลัทธิทิฏฐิความรู้สึกนึกคิดของเราความเห็นบางอย่างของเราเนี่ยทำลายคําสอนตั้งนานแล้วแล้วเราเป็นคนในอ่ะก็นึกว่าอันคำอันนั้นเป็นเป็นคำของพระพุทธเจ้าในที่ไหนได้ทําลายคําสอนของพระพุทธเจ้า ตั้งนางกลายเป็นว่าเชื้อโรคที่อยู่ในลำตัวของราชสีเนี่ยนะก็มาทำให้ราชสีผ่ายพอมแล้วก็ตายไปในที่สุดมันโมฆะบุรุษที่เกิดขึ้นมาในโลกก็มาเพื่อทำลายคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วนั่นเองในพระพุทธศาสนากล่าวถึงสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลมีอยู่5ประการด้วยกันสิ่งที่เป็นอันตรายหรือเรียกว่า อันตรายยึกธระทำทำที่เป็นอันตรายซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอันตรายนะมีอยู่หประการตรงๆคำว่าอันตรายเนี่ยสูงสุดเลยก็เป็นอันตรายทั้งต่อสวรรค์และต่อนิพพานแต่ในห้าข้อนั้นบางอย่างเป็นอันตรายต่อนิพพานอย่างเดียวไม่ได้เป็นอันตรายต่อสวรรค์บางอย่างเป็นทั้งอันตรายต่อสวรรค์และนิพพานอย่างเช่นในอันตรายยกธรรมทั้งหมดมีอยู่ห้าประการด้วยกันหนึ่งกรรมมันตราย ตัวอันตรายคือกรรมแปลว่าตัดขาดไม่ให้เชื่อมต่อไปสู่สวรรค์และก็สูนิพพานเนี่ยนะกรรมนี่แหละเป็นตัวตัดขาดไม่ให้ไปสู่สวรรค์และนิพพานอันหนึ่งสองกิเลสกิเลสเนี่ยคือตัวอันตรายทําให้ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่ควรจะได้บรรลุมรรคผลนิพพาน3ก็วิบากคือผลของกรรมสี่อริยปวาร ด, ด่าพระเริยะอุปวาตทะเข้าไปว่าร้ายแปลว่าด่าพระเริยกเจ้า อันแล้วก็ห้าอนาวีติกรรมะการล่วงละเมิดพระวินัยในอันตรายิกธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะอนันตริยกรรมห้าชื่อว่ากรรมอันตรายกรรมอันตรายิ ก, รรรยกธรรมตัวที่ทําอันตรายคือการฆ่าแม่ฆ่าเออฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระ อ, อ, อรหันต์ทำเลือดพระพุทธเจ้าให้ห่อเลื่อมหน้าโทสะแล้วก็สุดท้ายก็คือทําสังฆเภททําสงฆ์ให้แตกแยกกัน อันนี้เหมือนกับพระเจ้าอาชาติสตรูนั้นฆ่าใครฆ่าพระเจ้าพิมพิสารเที่ยงแท้แน่นอนที่จะตกนรกหรือพระเทวทัตเนี่ยพระเทวทัต เ, เป็นคนพิเศษทำม น, นตริยกรรมได้สองอย่างนะซึ่งคนอื่นเรียนแบบไม่ได้ทำได้คนเดียวก็คือ 1. ทําทำโลหิตพระพุทธเจ้าให้ห่อ 2. ทํทำสังกะเพทเนี่ยนะโหสาหัสหามากแต่ละเรื่องเขาบอกว่าวกับหนึ่งกบเนี่ยนะนานแค่ไหน กับหนึ่งกับเนี่ยมันนานมากว่าอย่างหนึ่งมหากับเนี่ยมันนานไหมนานบอกนานแค่ไหนก็ บ, บอกว่ากระดูกของคนหนึ่งคนเนี่ยกองเท่าภูเขาเหล่ากาเนี่ยกับยังไม่หมดเลยเนี่ยนะกับมันยาวนานขนาดนั้นพระเทวทัตยอยู่ในนรกแปะหนึ่งส่วนแปหมายคำว่าหนึ่งมหากับหาร80พระเทวทัตยอยู่ในนรกนานเท่านั้นนะอ่นนะนะก็รางวัลของสองข้อเนี่ยนะ อะไรนะโทษของการทําสังกเพศโดยเฉพาะสังกเพศ ท, ที่ว่าตกตกตกนรกตลอดกับคำว่ากับตัวนั้นที่เรียกว่าอันตริยอันตรกับเนี่ยนะตกอันตรกับเนี่ยก็คือเศษหนึ่งส่วนส่วนแปมหากับเนี่ยนะก็สาหัสเหมือนกันมันพวกนี้ไม่พระเทวทัศน์นั้นชาตินั้นเนี่ยเป็นอันตรายทั้งต่อสวรรค์และต่อนิพานพระช่าชาติศัตรูข่าพ่อเป็นอันตรายต่อสวรรค์และต่อ นิพพานคนที่ทําสังฆเพศเนี่ยนะค่ะพ่อฆ่าแม่ฆ่าพาระดอรหารพวกนี้เป็นอันตรายทั้งต่อสวรรค์และต่อ น, นิพพานเนะเพราะว่าอันนี้เรียกว่ากรรมอันตรายอันตรายคือกรรมแม้แต่พิกคุณีทูสกะกรรมแปลว่าพิกคุณีทูสกกรรมแปลง่ายๆว่าคมคืนนางพิษุณีถ้าคมคืนนางพิษุณีนี้ก็เป็นอันตรายต่อ น, นิพพานอย่างเดียวแต่ถ้าขอขมานางพิษุณีแล้วก็มาประพฤติดีปฏิบัติชอบก็ไม่ห้ามสวรรค์แต่ห้าม น, านิพพานเนี่ยนะ ในชาตินั้นนะนะอันนี้พูดถึงเฉพาะถัดชาติถัดไปเนี่ยนะหลังจากนั้นไปอีกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งละหมายคือว่าชาตินี้และชาติหน้าหมดสิทธิ์งนั้นเถอะชาตินี้ก็หมดสิทธิ์ชาติหน้าก็หมดสิทธิ์ชาติที่สามไม่แน่ที่ก็สุดแท้แต่ว่าไปเจอกัลยาณมิตรไหมไปเจอบัณฑิตไหมมีสังสมมาดีขนาดไหนถ้าทางสมมาดีก็ไม่ทําชั่วขนาดนั้นอีกนั่นแหละต่อไปส่วน อันตรายกรรมคือกิเลสก็คือนิยตามิชาทิฏฐิมิชาทิฏฐิที่ดิ่งแน่นอนว่ากรรมไม่มีผลปฏิเสธว่ากรรมไม่มีผลการให้ทานไม่มีผลการรักษาศีลไม่มีผลข่าพ่อข่าแม่หรือบำรุงพ่อแม่ประพฤติ ด, ดีกับพ่อแม่ไม่มีผลทานเนี่ยคนโง่บัญญัติคนฉลาดเป็นคนรับเนี่ยนะคนโง่หามาได้ก็มาให้ทานโม้แต่คนฉลาดก็รับเอ้าเอาไปอย่างเดียวเหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็พวกนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐินักๆั ก, กเข้าปฏิสัพพุทธเจ้าเนี่ยหลอกกันขึ้นอับปโล ก, กันขึ้นจริงๆไม่มีโรคเนี่ยนะอย่างที่เขาบอกว่านักวิจัยบางกลุ่มเนี่ยมีมีบางลัฐที่เขาไปสอเขาไปจ้างนักวิจัยบางคนหรือบางกลุ่มให้ไปวิจัยว่าพระพุทธเจ้าไม่มีอยู่จริงในโลกเป็นความเขียนขึ้นมาเท่านั้น น, นะก็ให้นักวิจัยกลุ่มนี้ แล้วก็ทําวิจัยทิ้งเอาไว้เนี่ยนะว่ายุคเราอาจจะยุคนี้กําลังเฟื่องฟูระดับหนึ่งนะคงไม่มีปัญหาแต่ยุค ต, ต่อต่อไปสิ่งเหล่านี้จะระบาดนะโรคเหล่านี้จะออกมาระบาดตอนนี้เขาเรียก ว, ว่าเพาะบ่มไวรัสเลวร้ายอันนี้เอาไว้แล้วว่าลัทธิที่บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีอยู่จริงนะก็อีกระยะหนึ่งก็ไอ้ลัทธิอันนี้ก็คงงอกออกมาแล้วคนเนี่ยอะไรที่เป็นความคิดแปลกประหลาดเลวๆไร้าย้เนี่ยพร้อมที่จะขายได้เอาสิคนเนี่ยพร้อมที่จะเชื่อ อะไรก็ได้ที่มันเป็นประเภทเน่าๆเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายชอบพิเศษมากเลยนะเรื่องดีๆเนี่ยไม่น่าสนใจหรอกเรื่องเลวร้ายเนี่ยคนติดตามชมอย่างยิ่งอ่าเรียกว่าสมัยสื่อสารแบบปัจจุบันเนี่ยนะเรื่องเลวๆบางเรื่องแป๊บเดียวเนี่ยรู้กัน200 000, 000, 000, 000, ล้านคนทั่วโลกไงนะแป๊บเดียวรู้กัน5้าอยล้าน้ระบาดเร็วมากความชั่วร้ายเนี่ยมันรัฐที่ทั้งหลายประเภทมิจฉาทิฐิก็เหมือนกันระบาดเร็วแต่รักษายาก มนรยตาตมิจฉาทิฐิทิฐิที่ดิ่งเนี่ยแก้ไขไม่ได้พระพุทธเจ้าก็แก้ไขไม่ได้เนี่ยนะแก้ไขไม่ได้อ่านในทีขนิกายมีหลายสูตรเนี่เห็นชัดเลยแม้พระพุทธเจ้าแก้ไม่สําเร็จแล้วก็แก้ไม่ได้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้แก้ด้วยนะเพราะมันแก้ไม่ได้พระองค์จะไปแก้ทําไมนนามันมิจมรยาตมิจฉาทิฐิที่ปฏิเสธ ปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปปฏิเสธกรรมและปฏิเสธผลของกรรมปฏิเสธพระพุทธเจ้าปฏิเสธข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าปฏิเสธพระอริยสาวกปฏิเสธข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็นพระอริยสาวกพวกนี้ก็มีจิตดิ่งไปอย่างเดียวเพื่อทําปานาติบาดดิ่對對 sure. งอย่างเดียวไปเพื <biomedical. S 1> ่อทำอตินนาทานการเมสุมิชฌาจารมุสาวาตปิสุณาวาจาพุสวาจาเป็นต้นเนี่ยนะมิชฌะนิมิจฉะที่ถีเนี่ยปักลงแน่นเลยนะ ก็เรียกว่าหมดโอกาสเลยว่างั้นไม่รู้ใครจะไปฉุดเขาได้อย่าว่านี่แคตามมิจฉาทิฏฐิเลยตอนที่เราเป็นอกุศลอย่างหนึ่งคนอื่นก็ไม่รู้จะช่วยให้เราเป็นกุศลได้ยังไงใช่ไหมสวดมนต์ให้ฟังก่อนแล้วว่างั้นแต่สมมติถ้าเป็นอกุศลเนี่ยโอ้ยอยากจริงว่างั้นถ้าตอนที่เป็นอกุศลกลุ่มรวมตอนที่เราไม่สบายใจเนี่ยฟังธรกกงรมก่อนแลว้วอ่านพระไตรปิฎกก่อนแล้วเดินจงกรมก่อแล้วท่องมนต์บน่นสาธยายก่อแลว้วโอ้อกุศลก็ยังเอาอีกแนะมันเหมือนเหมือนกับอะไรเคยป่วยไหม กินยานี้ก็แล้วกินยานั้นก็นเงียบปุ้ยอาการขึ้นไข้เพิ่งกำเริบอยู่นั่นแหละอกุศลธรรมก็เหมือนกันนั่นแหละมันเรียาเป็นไข้ทางความคิดเนี่ยมันยากยากเนี่ยนะนันในพวกอกุศลถ้าถ้ายิ่งประเภทดิ่งด้วยก็คือโรคเรื้อรังรักษาไม่หายกิเลสบางตัวนี่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเรื้อรังรักษาไม่หายเนี่ยนะเขาเรียกว่านิยะตามิจฉาทิติโลกนี้สิ่งที่อันตรายที่สุดในโลกคือมิจฉาทิฐิ เพราะอะไรเพราะบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฐิพึงทําในใจไว้เถอะว่าเขาจะดิ่งไปหาอคุศลกรรมบทอย่างเดียวในที่สุดจบลงที่ล่วงอกุศลกรรมบทค่อยล่วงไปเรื่อยๆล่วงไปเรื่อยๆปฏิเสธกรรมปฏิเสธผลของกรรมปฏิเสธพระพูดพระธรรมพระสงฆ์ปฏิเสธศีกขาปฏิเสธอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาปฏิเสธสัมมาทิฐิ ต่อไปก็ปฏิเสธสัมมาสังกัปปะปฏิเสธสัมมาวาจาปฏิเสธสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะปฏิเสธสัมมาวายามะปฏิเสธสัมมาสติปฏิเสธสัมมาสมาธิปฏิเสธองค์มัต